ก็าร บ, บูชาพระตนไตรการ บ, บูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่ลงพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนถต่ไหความกรอบมายังพระอ า, า, าจารย์ไพศาลหลวงพ่อกมครูบาอาจารย์พระเถระพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชี <c oughs> อุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติ วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช2 5 5 7นตรงกับวันแรม15ข่้าำเดือน10ก็เป็นวันพระใหญ่เนาะก็มีเพ่อออกแม่ออกเนาะจากบ้านใหม่นะก็มารักษาศีล น, นะเป็นกิจวัตรนในช่วงของการเข้าพรรษา นะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมา <c oughs> อย่างต่อนเนื่องนะแล้วก็วันนี้กลุ่มของข้าราชการสํานักประลัดสํนะานักนายกนะก็มาอยู่วันนี้เป็นวันที่หนะ้าพวกนี้ก็เป็นวันสุดท้ายลนะวันที่หกนะก็จะแยกย้ายกันกลับไปแล้วก็มีกลุ่มที่มาปฏิบัตินะประจําเดือนนะวันนี้ก็เป็น วันที่3า ม, มาตั้งแต่วันอาทิตยนะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยนะก็มาที่นีนะ่ก็มุ่งหวังนะที่จะมาทำอย่างไรให้ชีวิตเรานะมีความสุขนะแล้วก็หายทุกขนะ์ซึ่งตรงนี้ก็พงปีเป้าหมายร่วมกันนะทั้งพระทั้งโยมนะที่มาอยู่ที่วัดป่าสุกโต นะวันก่อนจะมาก็ได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือของหลวงพอ่ อ, งพอเทียนนะมีเรื่องเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะท่านบอกว่าทํำยังไงให้ทุกวันเป็นวันพระนะเราไปกําหนดว่าวันพระก็คือวันที่เรามามาวัดนะมารักษาศีลนะมาทําบุญสมทานนะส่วนวันอื่นๆเป็นวันอะไร <c oughs> ท่านก็ตั้งคําถามกันนะ อีก6วันเนี่ยเป็นวันอะไรนะมีวันพระอยู่วันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เป็นไปได้ไหมเราทำทุกวันให้เป็นวันพระนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเคยพูดเอาไว้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันตรงนี้เนี่ย <c oughs> วันพระเป็นวันที่เราตั้งใจนะที่จะมาทำบุญสุนทานนะ คำโบราณก็บอกว่าวันโกนให้ละวันพระให้เว้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าในชีวิตประจำวันนะที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะบางครั้ง <c oughs> บางครั้งเราก็เผลอไปบ้างนะเราทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างนะในอาทิตย์หนึ่งเราได้มีโอกาสมามาวัดนะมา ทำบุญมารักษาศีลนี่ก็เป็นสิ่งดีอย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสมาพักมาพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจากการงานเรียกว่าวางภาระต่างๆเอาไว้ชั่วคราวแล้วก็มาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการรักษาศีลการทำบุญการให้ทานซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ พวกเราส่วนใหญ่นะก็คงจะคุ้นเคยและก็ทำกันอยู่เป็นประจำนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยวันพระวันโกนเนี่ยถือว่าเป็นวันหยุดนะสาหรับคนไทยเราวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมแต่วันนี้มันก็เปลี่ยนไปนะก็เป็นหยุดวันเสาร์วนอาทิตยนะ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะนั้นคนในเมืองก็อาจจะรู้สึกว่าออออวันพระก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่ นะอย่างวันนี้วันทำงานแต่ก็มีบางคนนะนะก็ตื่นเช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเราขยายผลนะให้มันทุกวันมันเป็นวันพระนะเป็นวันดีนะที่เราจะตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะโดยเฉพาะการให้ทานการรักษาศีล น, นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา คุณเคยกันดีนะแต่ถ้าเราจะต่อยอดขึ้นไปนะต่อบุญเป็นกุศลนะบุญก็คือชื่อของความสุขที่ได้มาโดยชอบนะทบุญแล้วนะเรามีความสบายใจเรามีความสุขใจนะแต่บางครั้งเนี่ยนะมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเรายังไม่มีปัญญานะที่จะรู้เท่าทันนะความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะรุกิเลส นะตัณหาต่างๆนะโดยเฉพาะความคิดลงแต่งวฉะ น, นั้นคนมาทำบุญก็ดีมารักษาศีลก็ดีนะอันนี้ก็ได้ความสุขในระดับหนึ่งนะแต่ว่ายังเป็นความสุขที่ยังยังไว้ใจไม่ได้นะยังจะต้องพัฒนานะหรือทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะในทางพุทธศาสนาเนียก็ได้เคยได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้พบนะว่า คนเราเนี่ยควรจะมีความสันโดษในการกินการอยูนะ่แต่ไม่ควรจะสันโดษหรือไม่ควรจะพอใจในสิ่งที่เราทําคุณงามความดีเท่านั้นหมายถึงว่าในระดับทานในระดับศีลเท่านั้นนะเราจะต้องต่อยอดให้ไปถึงภาวนานะซึ่งภาวนาเนี่ยก็คือการที่เรามาทําให้เกิดสติเกิดปัญญานะที่จะรู้เท่าทัน กิเลสทั้งหลายความคิดปรุงแต่งทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการต่อต่อบุญให้เป็นกุศลนะกุศลเนี่ยคือเป็นชื่อของความฉลาดฉลาดในการที่จะรู้เท่าทั น, นากายใจของเรานะไม่ใช่ฉลาดที่จะไปหาเงินหาทองนะไม่ใช่ฉลาดที่จะไปทําการทํางานอะไรตรงนั้นซึ่งตรงนั้นก็ใช่เหมือนกันนะ แต่ว่าเราน่าจะพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นไปในะในการที่จะเ ร, เราจะรู้เท่าทันนะกิเลตัณหาอุปทานต่างๆนะซึ่งจริงๆกิเลตัณหาอุปทานเนี่ยมันไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่ามันเคยชินมันมีนิสัยนะที่เรากระทำไปโดยที่เราไม่รู้เท่าทันมันนะแล้วก็ทำมาตั้งแต่เด็กนะจนถึงอายุมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะเห็นได้นะเมื่อเรามาฝึกนะมาฝึกเจริญสติมาฝึกทำภาวนานะภาวนาคำว่าภาวนานี่ไม่ใช่หมายถึงบริกรรมนะคนไทยเราส่วนใหญ่คำว่าภาวนาคือบริกรรมพุโทโธสัมมา阿拉หังอะไรอย่างนั้นคำว่าภาวนาคือพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนากายพัฒนาใจนะโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ นะพัฒนาจิตบ้างจิตภาวนาบ้างนะบางทีเขาเรียกว่ากรรมฐานบ้างนะแต่มาที่วัดป่าสุกโ ต, โตเราจะได้ยินว่ามาเจริญสตินะมาทําความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ต่อบุญให้เป็นกุศล น, นะเรียกว่าพัฒนาขึ้นทําให้ดียิ่งขึ้นนะเราไม่ใช่ยินดีเพียงแค่ทําบุญนะให้เราสุขใจเท่านั้นนะแต่ว่า เราพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นไปนะให้มันรู้เท่ารู้ทันนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะภายในจิตใจของเรานะซึ่งหลายวันที่ผ่านมานะเราก็ได้ยินได้ฟังจากพระอัจาร์ไพศาลบ้างอาจารย์สงศินบ้างครูบาอาจารย์หลายท่านนะก็จะที่ตรงลงมานะที่ว่า <c oughs> ชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะต้องเรียนรู้ นะจากกายจากใจของเรานะที่จะรูนะ้วิธีการที่จะออกจากทุกขนะ์ซึ่งวิธีการนีนนะ้ก็เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารยนะ์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนนะได้พูดเอาไวนะ้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราก็ไปทาเอาไปท ำ, ปทำนะแล้วก็ไปดนะูให้มันเกิด มันจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่กระทำอย่างถูกต้องและต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญแล้วก็มันก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาขัดขวางาตรงนั้นเราก็จะต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆาโดยเฉพาะย่างยิ่งการที่เราม า, เ, าเจริญสติหรือการทา กรรมฐานนะในแนวเคลื่อนไหวนะที่เราได้มาฝึกกันนะการฝึกเจริญสติแนวเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้นำเสนอไว้เมื่อประมาณ50าบกว่าปีที่แล้วนะเป็นรูปแบบเฉพาะนะที่แตกต่างไปจากวิธีการอื่นๆนะที่เราคุ้นเคยโนะดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนนะคงจะเคยฝึกกรรมฐานในรูปแบบการนั่งหลับตาการนั่งนิ่ง การมีคำบริกรรมนะซึ่งสิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดนะก็เป็นวิธีการนะที่เราจะเดินทางนะที่จะเข้าไปรู้กายรู้ใจของเรานะเพียงแต่ว่า <c oughs> บางทีเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกจนถึงที่สุดของมันนะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตจากตัวกระผมนิตมาเองหรือจากผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปติดตรงที่ความสงบ ความสงบแบบนิ่งนะแล้วก็มีความสุขมีความเดิมดำในขณะที่นั่งหลับตานะในขณะที่อยู่กับในห้องพระนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็มีประสบาการณ์ตรงนี้เนี่ยนะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราต่อไปได้ แล้วเราก็ไปติดไปตันอยู่ตรงนั้นซึ่งครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะก็พยายามที่จะพูดจะบอกนะว่าเราจะต้องผ่านนะความสงบตรงนั้นอย่าไปติดอยูนะ่ตรงนี้นี่แหละนะการที่เรามาฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยหนะลวงพ่อเทียนเองก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีนะท่านก็จะพูดอยู่เสมอว่าเอออย่าไปติดสงบนะนะให้เรารู้เท่าทันมันนะ นะเวลาทำก็ลืมตาทำนะแล้วก็อย่านั่งนิ่งๆ น, นะพยายามเคลื่อนไหวการเคลื่อนอไหวของกายเนี่ยก็มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อที่จะปลุกความรู้สึกตัวนะซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะเรียกว่าสตนะิเป็นสติที่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเป็นสติสามัญนะเป็นความรู้สึกตัวที่เราใช้ในการมีชีวิตในการทำการทำงาน ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในการติดต่อกับโลกนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเป็นพื้นฐานนะที่เราจะามาใช้ในการที่จะพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปการที่จะพัฒนานก็คือว่าเราเคลื่อนไหวนะมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะขณะพลิกมือก็รู้สึกขณะเคลื่อนก็รู้สึกขณะหยุดก็รู้สึก รู้สึกตัวอย่ารู้อะไรมากกว่านั้นไม่ต้องไปคิดรู้นะเป็นการสัมผัสรู้รู้ตรงๆงเลยนะวันก่อนก็มีนับปฏิบัติมาถามว่าเอ๊ะมีคําบริกรรมได้ไหมที่อาจารย์ทรงศิลสอนไว้อะไรเงี้ยนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกได้ไหมนะก็บอกทิ้งไปเลยนะคือคือสัมผัสเข้าไปตรงๆงนะไม่ต้องมีคําบริกรรมหรือบางคนอาจจะคุ้นเคย เคยฝึกแบบพุทโทนะเคยยุบหนอมพองนออะไรอย่างเงี้ยมีคำบริกรรมได้ไหมนะอันนี้มันก็จะทําให้เราเนิ่นช้าเพราะว่าคำบริกรรมก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การฝึกของเรานี่เนิ่นช้าแรกแรกเนี่ยมันก็รู้สึกหวงหวงเวงเวงมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเป็นหลักที่จะจับได้เลยถ้ามีคำบริกรรมมันก็ยังพอจะมีอะไรจับได้บ้าง ตรงนี้นี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนโดยเฉพาะคนมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเอ๊ะมันอะไรมันรู้สึกตัวมันเป็นยังไงนะมันมันไม่มีอะไรเลยนะเราไปคุ้นเคยนะกับการที่จะต้องมีอะไรสักอย่างนึงโดยเฉพาะยิ่งมีความคิดนะคิดรู้คิดหายเหตุหนาะผลนะใช้ความคิดที่จะเข้าไปรู้นะซึ่งตรงนี้มันทําให้เราเนิ่นช้า เพราะนั้นการฝึกเจริญสติการทำกรรมฐานก็ดีเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนะความคิดนะขณะที่อยู่ที่นี่เนี่ยคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอานะทิ้งให้หมดเลยกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวเนะมื่อวานก็มีคนหนึ่งถามว่าผมฟุ้งซ่านมากเลยผมทำแล้วผมฟุ้งซ่านมากเลยผมจะโกรธมันดีไหม <c oughs> นะตรงนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องเลยยิ่งฟุ้งยิ่งดีหนะลงวงพ่อเตียนชอบพูดนะเพราะอะไร ความฟุ้งนี่แหละที่จะทำให้เรารู้ความคิดนี่แหละที่จะทำให้เรารู้ถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำให้เรารู้เพราะฉะนั้นความคิดก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีอารมณ์ต่างๆก็ดีเนี่ยจริ ง, รงๆไม่เป็นอุปสรรคเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะได้เรียนรู้นะที่จะเอามาใช้ประโยชน์แต่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะามาใช้ประโยชน์ได้เราจะต้องมีความรู้สึกตัวที่ฉับไว เพราะนั้นการพัฒนาความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติก็คือการที่เราทำให้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วมันฉับไวขึ้นมันว่องไวขึ้นนะซึ่งสติธรรมชาติของมันคือไวนะคนโบราณเขาเปรียบเทียบเหมือนกับลูกศรนะวัยมากนะในการที่จะทันสิ่งต่างๆเขาว่าแสงนี่ไวที่สุดในด้านวัตถุนะนะความคิดไวกว่าแสงสิ่ง สิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราพัฒนาเราทำให้ต่อเนื่องนะมันก็จะเห็นผลเลยว่ามันคิดปุ๊บมันจะรู้ปับ๊บนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะเราอย่าไปตั้งใจที่ให้มันเป็นนะเพราะนั้นในการฝึกเจริญสติเนี่ยนะในในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้เท่าทันกับกายที่เคลื่อนไหว นะ เ, ปเป็นอุปกรณ์ห ย, ยาบๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าพึ่งไปสนใจลมหายใจมากนะเพราะว่าตรงนี้มันละเอียดแต่บางคนก็มีอาทยาสายมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะเคยฝึกอาลาปานัสติมาเคยฝึกแบบพุโทโธมาคุ้นเคยกับลมหายใจก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันชัดเจนดีถ้าชัดเจนนะแต่ถ้ายังไม่ชัดนะบางทีมันก็ เพ่งลมหายใจมากๆมันตกภวังมันตัวหายไปอย่างเนี้ยนะเราก็ตรงนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้เท่าทันนะเพราะฉะนั้นการใช้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นเป้าใหญ่เป็นของหยาบๆที่เราสามารถจะสัมผัสได้ง่ายๆนะขณะที่พลิกมือขณะที่เคลื่อนมือนะขณะที่เดินจงกรมนะตรงเนี้ยมันจะทําให้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่มันเกิดความ ชัดเจนขึ้นชับไวขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราเสัมผัสกับความรู้สึกนะกับกายที่เคลื่อนไหวได้บ่อยๆนะตรงนี้ความรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นมาเองมันเป็นเองนะเราไม่ได้ไปบังคับให้มันเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยนะก็มักจะเพ่งๆจ้องๆก็ๆไม่เป็นไรอะให้รู้มันนะแต่เดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆปรับ นะถ้ามันรู้สึกหนักๆน่วงๆมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยก็ค ค, คลายไปนะบางคนเนี่ยเดินจ้องนะใจมันรู้สึกตัวตลอดเวลาไปจี้มันนะอย่างนั้นก็ผิดธรรมชาติไปละธรรมชาติของสติเนี่ยมันใหม่ๆเนี่ยนะมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วกลับมารู้ให้ได้บ่อยๆนะมันไม่ใช่รู้ตลอดเวลาการรู้ตลอดเวลาหรือรู้อย่างต่อเนื่องเนะี่ยมันจะเป็นเองนะ เป็นเองเมื่อเราได้ฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างถูกต้องนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่สังเกตนะได้จากตัวเองแล้วก็ได้จากผู้ปฏิบัตินะเพราะนั้น <c oughs> การที่เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะบ่อยๆนะตรงนี้ต้องทำบ่อยๆทำให้เป็นนิสัยเลยนะแล้วก็ <c oughs> ทำให้ต่อเนื่องนะโดยเฉพาอะอย่างยิ่ง เรามีเวลามาอยู่ไม่กี่วันนะอย่างกลุ่มสํานักงานประลัดนาะยกก็มีหกวันเวลาจริงๆมีแค่สี่วันนั่นเองอ่ะนะส่วนกลุ่มปฏิบัติก็มีเวลาจริงแค่ห้าวันเพราะนั้นห้าวันเนี่ยให้เป็นวันวันที่เรามีความรู้สึกตัวนะคือขยันขยันเดินขยันสร้างจังหวะนะทําในรูปแบบเนี่ยให้มากๆนะ เมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันจะเข้าไปรู้ในรายละเอียดของกายความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวนะความไม่สบายกายบางทีอากาศมันอึดอัดบ้างบางทีมันโปร่งโล่งบ้างนะมีแมลงมากัดมาต่อยมาคันนะหรือ บางทีเรามาอยู่กับธรรมชาติมีมดมีตะขาบมีกิ้งกืออะไรพวกนี้นะก็มีบางบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกอึดอัดบางทีกลัวจะเหยียบมดอะไรอย่างเนี้นะคือคือรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคไปหมดเลยสภาพแวดล้อมต่จริงๆเราเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ได้นะ <c oughs> บางทีการที่ยุงกัดตัวลิ้นกัดเราคันเรารู้สึกไม่ค่อยสบาย ดูใจเราหงุดหงิดไหมลำคาญไหมอึดอัดไหมเนี่ยเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ย <c oughs> ธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณนะ์ที่จะให้เราได้เรียนรู้มากระทบกายกระทบใจของเรานะแล้วเราใจเราเป็นยังไงสังเกตไหมมันปวดมันเมื่อยมันบ่นไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วนะมาวันแรกเนี่ยตายแน่ๆเลย อยู่อีกตั้งหวันเรนะบางคนก็ท้อใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะที่ให้เราเรียนรู้ได้ความปวดความเมื่อยนะความเย็นความร้อนนะที่เกิดขึ้นกับกายนะเมื่อรู้กายที่หยาบแล้วเนี่ยมันจะไปรู้กายที่ละเอียดนะลารมายใจนะบางทีกระพิตา คืนน้ําลายนะเราก็รู้สึกเข้าไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราดูบ่อยๆนี่นะเดี๋ยวมันก็จะเห็นละความพอใจความไม่พอใจนะความปกติเฉยๆเนะียอันนี้เขาเรียกว่าเวทนานะเวทนานี่ไม่ใช่น่าสงสารนะเวทนาภาษาทาง <c oughs> บาลีนี่หมายถึงว่าความรู้สึกรู้สึกพอใจไม่พอใจนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าฟ e ล l i n g นั่นเองนะตรงกับคำว่าฟ e e l i n g นะตรงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีตรงนี้ด้วยเนาะละเอียดเข้าไปอีกนะก็ไปเห็นความคิดนะความคิดที่ปรุงแต่งนะความคิดมีความคิดเรื่องราวในอดีตความคิดเรื่องราวในอนาคตนะวิตกกังวลไปนะเนี่ยนะก็เมื่อวานก็มีคนมาถามนะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้วันกลับจะกลับกี่โมง นะกลัวเดี๋ยวรถจะติดอะไรเงี้ยนะกังวลไปแล้วนะเรียกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับอนาคตนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าตันเหมือนกันนะมีบางคนก็มาบอกโอ้โหผมเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะที่ทำในอดีตออกมาดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าส ำ, สำนึกบาปละลึกบุญนะบางคนก็ละลึกถึงคุณงามความดี สิ่งที่เคยได้ทำดีมาก็รู้สึกพอใจภูมิใจมีความสุขซึ่งตรงนี้ก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะบางทีเราไปเผลอไปไปในอารมณ์ไปในความคิดเนี่ยเราจมไปขณะที่เดินจงกรมเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเลยถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถอยกลับมาเลยนะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว อะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเรียกว่าเอาตรงนี้เป็นฐานนะเป็นฐานที่จะไม่ให้จมหรือไม่ตกไปอยู่กับในกระแสอารมณ์นะหรือความคิดต่างๆคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาปกติเฉยๆนะที่มันจะแสดงตัวออกมาหรือแม้แต่ปกติเฉยๆก็ไม่ต้องไปประคองมันนะเรียนรู้มันทุกอารมณ์เลย อารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆปกติเฉยๆตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นม า, นาก็บอกปัญญาคือการรู้รอบกองสังขารคาว่าสังขารก็คือสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตในใจของเราหรือแม้แต่สิ่งปรุงแต่งที่อยู่ข้างนอกนเรียกว่าเรียนรู้ทั้งสิ่งที่อยู่ข้างนอกเรียนรู้ทั้งสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้เป็นปัญญารู้รอบเป็นปัญญาพุท ธ, ธะเป็นปัญญาที่ไม่ได้ใช้ความคิดเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสตินะไม่ได้ปัญญาที่เกิดจากคิดด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> จากกายนำไปสู่เวทนานำไปสู่จิตคือความคิดปรุงแต่งต่างๆนะแล้วก็นำไปสู่ธรรมธรรมก็คือกุศลธรรมบ้างองกุศลธรรมบ้าง หรือสําหรับคนใหม่เลยที่เห็นชัดๆคืนอนิวรธรรมความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดนะความสงสัยลังเลอะไรพวกเนี้นะเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะที่มันแสดงออกมาเนี่ยนะเพียงแต่ว่าให้เรามีสตินะมีความรู้สึกตัวตัวสติเนี่ยจึงเป็นตานะหลวงพ่อคำแก่นใช้คำว่าเป็นตาวิเศษตาวิเศษที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น เพวัะ น, นั้นการเห็นธรรมะนี่ไม่ได้เห็นสีเห็นแสงไม่ได้เห็นอะไรวิจิตพิสดารหรอกเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในกายภายในใจเรานั่นแหละนะสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจหรือสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาธรรมดาเพราะนั้นธรรมะก็คือธรมธรมดาธรรมดาเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เห็นได้แล้วสิ่งเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า ตาในเราเปิดหรืออย่างเท่านั้นเองเราเปิดมาดูมาดูแล้วเห็นเห็นแล้วเราก็ไม่เข้าไปเป็นนะอย่างที่หลวงพ่อกำกับเขียนนะพูดนะไอ้การที่บอกว่าไม่ต้องเข้าไปเป็นให้มันปล่อยวางเนี่ยไอ้นั่นมันคิดไปแต่มันจะต้องเกิดขึ้นเองจากการที่เราผ่านการเจริญสตินะการเพียรที่ทำอย่างต่อเนื่องถูกต้องนะแล้วก็มีความขยันนะขยันที่จะทำผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรนะ ลองผิดลองถูกเคยได้ยินหลวงพ่อกำเขียนพูดว่าครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละนะที่เราลองผิดลองถูกอาจารย์ที่แท้จริงก็ตัวนี้แหละเราหลงก่อนมันจึงรู้เราผิดก่อนมันจึงถูกใช่นไหมมันไม่มีหลักธรรมแถูกหมดเลยอะนะเพียงแต่ว่าเรามีประสบะการณ์นะว่าโอ้ไอันี้ผิดนะเราเดินไปเราเพ่งมากๆมันมึนมันหนึกนะโอ้ไม่ไหวแล้วต้องถอยออกมา มองไปลงโล่งมองท้องฟ้ามองยอดไม้นะถ้ามันอึดอัดมองออกไปนะเรือว่าเดินแล้วมันเก่งมันก็คลายคลายออกนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะเมอวานท่านจันทงศิลป์ก็พูดถึงเรื่องการแก้อารมณ์เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะครูบาอาจารย์หรือว่าการัญมิตรเนี่ยก็พอช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวนะถ้ามันถึงทางตันมันแก้ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปสอบถามนะไปพูดคุย นะตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งทีนี้นอกจากการทำในรูปแบบแล้วเนี่ยนะเท่าที่สังเกตคนใหม่เนี่ยนะ <c oughs> ปฏิบัติกรรมฐานในเวลาราชการ <c oughs> ก็คือเก0าโมงถึงสี่โมงเย็นพอเป้งหมดยกก็คุยกันเลยนะตรงนี้เป็นรูรั่วเลยนะเป็นรูรัร่วเลยเมือนเราเก็บสตังใส่กระปุกอมสินไว้เนี่ยนะพอ เราคุยกันเนี่ยสติที่เราทำมามันหายหมดเลยนะทั้งวันเลยนะเพลินไปเลยนะคุยสนุกเลยนะเรียกว่าเดินลี่เข้าหากันเลยเพราะนั้นสังเกตไม่ว่า <c oughs> ตรงเนี้ยเราไม่รู้ตัวเราเผลอไปละเพราะนั้นเท่าที่สังเกตจากตัวเองก็ดีจากผู้ปฏิบัติก็ดีคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดไม่คุยหรือคุยให้น้อยที่สุดเรียกว่าปลีกวิเวก แลนะโดยเฉพาะกลุ่มสำนักงานประหลัดในวันนี้ลองปรีกวิเวกดูนะเรียกว่ า, าใช้แต่มีใบนะลองไม่พูดไม่คุยดูีิจะอึดอัดขนาดไหนแต่ตรงเนี้ยเราจะได้เห็นนะได้เห็นกิเลสมันดิ้นเลยนะและตรงนี้เราได้จะได้ฝึกกันจริงๆนะพรุ่งนี้จะได้กลับไปนะอย่างสิ่งที่เรียกว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยวไม่เสียงงบประมาณนะไม่เสียโอกาส นะที่ได้มานะอย่างน้อยน้อยมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปนะสิ่งที่ได้ติดไม้ติดมือกลับไปคือความรู้สึกตัวที่พัฒนาแล้วที่ฉับไวที่พร้อมที่จะไปใช้กับชีวิตกับการงานนะซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เออถ้ามาแล้วนะไม่ได้สิ่งนี้ไปก็น่าน่าเสียดายแต่ก็อย่าไปตั้งใจ มากจนเกินไปหรืออย่าไปหวังจนเกินไปนะทําสบายๆทําเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราจัดสิ่งแวดล้อมของเราเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสตินั้นอย่าทําเพียงแค่ในรูปแบบเราเดินไปเราก็รู้สึกตัวนะเรากินข้าวด้วยความรู้สึกตัวไม่พูดไม่คุยนะมีความรู้สึกตัวกับการขบการฉันการกินนะ การทำกิจวัตรต่างๆแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวอาบน้ำด้วยความรู้สึกตัวนะตรงนี้มันก็จะทาให้เราสามารถที่จะฝึกหรือจเจริญสติดไดต้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะมันมันน่าจะมีผลบ้างนะไม่มากก็น้อยนะตรงนี้มันก็จะทาให้ทุกเวลานาทีเนะี่ยเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัว แล้วถ้าเราทำได้ทุกวันมันก็จะเป็นเวลาที่ประเสริฐนะเป็นวันพระทุกวันนะเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะคุ้มครองดูแลนะที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกขนะ์หรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจได้โดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เข้ามานะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราจะได้รับประโยชน์นะจากการที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุขโตมาได้มีโอกาสฝึกฝนนะอบรมตนเองฝึกฝืนนะเรียนรู้กิเลสตัณหาอุปทานความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่มาหลอกเราได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสัมผัสนะกับจิตใจที่เป็นปกติสุขนะซึ่งมันก็มีรสชาติที่อาจจะไม่ค่อยน่ า, นาดื่มเท่าไหรนะ่นักเป็นรสชาติที่จืดชืด นะแต่ความจืดชืด น, นี่แหละที่มันทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นมานะเป็นสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในใจเป็นสันติภาพที่จะเกิดขึ้นกับสังคมต่อไปนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้พิจารณาเมื่อฟังไปแล้วก็ลองอไปทำทําแล้วเป็นอย่างไรก็ให้สรุปด้วยตัวเราเองเพนะราะฉะนั้นวันพระเนี่ยเป็นทุกวันได้ถ้าเรามีสติ มีความรู้สึกตัวนะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเองเอาคุณของพระศีรัตนตรัยลนะ้ก็คือพระพุทธนะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจรงิงนะที่แสดงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะส่วนพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติ การที่เรามาเจริญสติการที่เราทำตัวของเราเองนะแล้วก็ได้ความเพียรความพยายามความขยันความอดทนนะจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกปติของจิตใจได้ทุกเมื่อในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร